เขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่นี่คนทั้งหลายก็มาถกเถียงกันเอ๊ะคาว่าสิริมงคลน่ยอะไรเป็นสิริมงคลอันดีงามสําหรับมวลมนุษย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลาย เ, เขาก็แชรกันคําว่าสิริมงคลคืออะไรคนหนึ่งบอกว่าตาเห็นรูปสวยๆ ง, งามๆนั่นแหละเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับ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 ไม่ลงกันาหาจุดจบหาจุดลงไม่ได้เทวดาเอามันใช่วะมนุษย์พูดกัรเนมมันเข้ามันหาจากนั้นจริงๆว่งะเทวดาก็ถามเทวดาอีกเทวดาก็แก้ปัญหาไม่ได้จนทึ่งจนถามจนขึ้นไปถุนสวรรค์ชั้นดาวดึงคือชั้นพระอินทร์ พระเอินไปถามพระเอินพระ อ, อ็นก็แก้ไม่ได้เป็นชิลิมงคลสําหรับตนเองเนี่ย เ, เป็นมงคลอันยอดเยี่ยมสําหรับตนเองเนี่ยคืออะไรเนี่ยพระเอินก็ตอบไม่ได้อีก เ, อเดี๋ยวเราจะพาไปกราบพระพุทธเจ้าผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์สยามภูรู้แจงโลกพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะตอบพวกเราได้เรื่องอย่างนี้แล้วก็พาเทวดาลงมา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 พระพุทธเจ้าข่านนี่แหละความเป็นมาของมงคลสาสบดนะคณะสัตายาธิโจมลูกหลานพระพุทธองค์ก็บอกว่ากล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกเลยว่าอันแรกเลยว่าอาเซวนาจะบาลานังการไม่ครบคนผานถ้าเราไปครบคนชั่วคนผานคนผานน่าจะพาไปหาผิดเราก็จะเป็นคนเสียหายเป็นคนโง่เป็นคน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 บูชาบุคคลที่ควรบูชานบุคคลเช่นไรควรบูชาบุคคลที่ไรควรตำหนิเนี่บูชาบุคคลที่ดีมีคุณน้ำคัมีคุณภ้พัรน์รศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนี่แหละบุคคลที่ควรบูชาแต่บุคคลที่จิตใจคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วไม่ใช่บุคคลที่ควรบูชานนี่แหละอันนี้แหละคือพวกเราให้ศึกษาทีนี่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 อันนี้คือเป็นวันอุโบสถของเราเอา่เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแต่ก่อนเมื่อเร า, เ อ, าอยู่ในคาเราเป็นพระเจ้าเผ็นดีนอยู่เราก็นี่แหละ เ, เราก็สมาทานศีลอุโบสถทุกวันพระอย่างนี้แต่วันนี้เป็นวันอุโบสถของเราเราจะต้องสมาทานศี น, นขนาดพระองค์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 เ า, ถ, าถ้าเราใยใจในการศึกษาเรียนรู้เราก็ได้ฟังศึกษาไปเรื่อยๆเพราะธรรมะทำคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่จุดใดจุดหนึ่งมันมีหลายแนวทางแล้วหลายแนวความคิดพวกเราจะนามาปรับปรุงกายวาจาใจของเราอย่างไรแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังแต่หลวงพ่อเองก็แนะนำถ้าอยู่ในวัดของเราเนี่ยหลวงพ่อ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 ขึ้นมาล้วยนะพ่อแม่อยากจะให้ไปเรียนหนังสือโดยมากน้อยมากที่เด็กนักเรียนจะชอบใจในไปเรียนหนังสือวันสองสามวันที่แรกนะโอ้มันเข้าหมูไม่ได้มันไม่อยากจะไปเรียนหนังสือในงอแงแต่พอต่อไปท่านนี่พอไปเรียนหลายๆวันเ็าติดหมูติดเพื่อนแล้วก็ติดในการศึกษาติดในการเรียนนั่นแหละท่นีเห็นผลประโยชน์เมื่อเห็นผลประโยชน์ในการเรียนกลัวเรียนไม่ทันเขาท่นี่